แต่รอดตายมาจากกองไฟเมื่อแผลตามตัวค่อยหายจนสนิทผมคงกินวัดนอนวัดไม่อยากไปไหนก็เลยยึดเอากุติคุณนพที่วัดระฆังเป็นที่พักกายพักใจผมไม่ลืมมาลีของผมลงได้เลยแม้แต่รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นปีศาจแต่ว่าผมก็ยังมีจิตใจที่ฝังแน่นอยู่ที่เธอผมก็อดจะเพ้อแล้วก็ฝันถึงเธอไม่ได้ถ้าใครจะพูดว่าผมคือไอ้บ้าที่มีจิตวิปริตรักผี หรือเอาผีเป็นเมียกระชั้งเขาพูดมันเป็นเรื่องของผมใครไม่เกี่ยวมาลีเป็นผู้มีคุณแก่ผมให้ความสุขผมและรักผมผมก็ต้องรักตอบแล้วก็ต้องกระตันยูในเธอเธอจะเป็นอะไรก็ตามผมต้องกระตัญยูผมเสียนะท่านที่เคารพถ้าผมเป็นผู้ไม่มีความกระตันยูต่อผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตามตัวผมจะเลวสามแค่ไหนเป็นคนแต่เพียงร่างกายเป็นรูปของคนแต่ว่าหัวใจนั้นไม่ใช่คน ผมกลัวเรื่องความกระตันยูเพราะถ้าเพียงกับสัตว์อีกหลายชนิดนับแต่สุนัขเป็นต้นไปหากหมดกระตันยูแล้วไซสก็อายหมาเธอจากผมไปในวันที่ไฟไหม้แต่ว่าผมเกือบตายในกองไฟก็ในครั้งนั้นครั้นรอดชีวิตมาได้จนบัดนี้ผมก็รอคอยวิญญาณของเธออยู่ทุกคืนวันอันนีจามาลีของผมเธอไปอยู่แห่งใดมาลีผู้เป็นคนหนึ่งในตระกูลมนุษย์ที่ไม่สังคมโลกถ้าเธอไปเกิดแล้ว ฉันก็หมดห่วงสมัยไปเที่ยวไหนสบ้างสิคุณนบผู้ครองผ้าเหลืองพูดกับผมในวันหนึ่งผมยังไม่รู้จะไปที่แห่งใดเลยขอรับผมตอบท่านเออเอาอย่างนี้ไ้มล่ะเธอคงไม่สมัครใจที่จะไปเที่ยวในบางกอกฉันแนะนำว่าควรไปเที่ยวตามหัวเมืองสบ้างก็ดีนะท่านพูดผมฟังท่านแนะนำก็รู้สึกเข้าทีดีมันอาจจะลืมเรื่องในหัวใจลงได้บ้าง พวกชั้นคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปวัดนกกระจาบที่ตำบลบางบานจังหวัดอายุทยาเขาจะไปหาของดีของหลวงพ่อที่วัดนั้นในวันสงกรานนี่แหละแล้วก็จะไปเล่นน้ำสงกรานที่นั่นด้วยใครๆล่ะครับผมถามท่านด้วยความสนใจในมั่นไงเขาเคยบวชอยู่ที่นี่แล้วก็ศึกไปเมื่อเร็วๆนี้บ้านของในมั่นเนี่ยเขาอยู่แถวบ้านคมินนี่เองถ้าเธอยินดีที่จะไปเที่ยวกับเขา เดี๋ยวฉันก็จะไปบอกกับเขาอะนะว่าเธอเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนกับเขาโอ้ก็ก็ดีสิครับท่านผมเคยได้ยินชื่อวัดนี้แล้วก็ตำบล น, นี้แต่ว่าไม่เคยไปสักทีถ้าจะได้รู้จักกันก็คงจะคราวนี้แหละผมพูดด้วยความจริงใจเอา้าถ้าเธออยากไปฉันก็จะขึ้นไปด้วยบ้างละท่านว่าเอ๊ะก็วิเศษเลยครับผ ม, ผมร้องขึ้นด้วยความดีใจ การเดินทางได้เริ่มขึ้นโดยนายมั่นเป็นผู้วางแผนการเขาบอกว่าทางไปบางบานนั้นไปได้สองทางไปทางหนึ่งรถไฟลงอยุทยาแล้วตรงไปบ้านแหลมลงเรือรับจ้างที่นั่นไปขึ้นบกที่ตำบลหัวดุมจะมีรถยนต์อย่างเก่ารวมถึงรถเมที่ยังคงวิ่งรับจ้างอยู่บ้างวิ่งผ่านทุ่งอย่างโคลกเคลกโดยทางเกวียน เรื่องรถยนต์วิ่งทางเกวียนท่านผู้เคยผ่านมาแล้วย่อมรู้รสชาติถ้าไปอีกทางหนึ่งนั้นไปทางเรือลงเรือที่ท่าเตียนไปเรือยนต์เมที่บรรทุกสินค้าออกเดินทางตอนเย็นจะไปถึงทางแยกเข้าบางบานตอนดึกเกือบค่อนรุ่งแล้วเดินทางต่อพอรุ่งสางก็ถึงวัดนกกระจาบฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุยกันพอแล้วก็นอนเอาแรงกันจะดีมาก เราได้ที่ตอนหัวเรือมีที่พอนอนได้ในยามเดินทางเราก็คุยกันไปพอถึงเมืองประทุมก็ชักจะสบายลมเฉยก็เลยนอนกันเงียบ เท่าที่คุยกันมาได้ถึงปทุมก็โดยตื่นเต้นการเดินทางผนักเข้าความมืดของแม่น้ําก็ทําให้เราไม่มีโอกาสจะทอดสายตาไปไหนได้อีกจึงได้เพียงแค่มองเห็นเห็นกันแต่ภายในเรือเท่านั้นประกอบกับลมเย็นและการโครงไหวของเรือด้วยคล้ายเปเลงเกล่อมก็ทําให้ง่วงและก็หลับเร็วกว่าอยู่ที่บ้านเราหลับกันไปเรื่อยๆต่อถึงท่าเมจอดทีเราก็ตื่นทีแต่ที่ต้องตื่นนอนครั้งใหญ่ก็ตรงทางแยกจะเข้าบางบาน ที่ปากทางมีแพเล็กๆเป็นสถานีทางน้ำและคณะเราก็เดินทางต่า ง, ตางเตรียมข้าวของที่มีอยู่ติดตัวไปบ้างอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรือเขาจะปล่อยเราลงที่แพนั้นก็ค่อนข้างดึกแล้วก็มืดมิดมีคลุกขลักนิดหน่อยแล้วก็สนุกตามกาละของการเดินทางตอนนี้ถ้าเป็นข้างขึ้นอ่อนๆพอดึกเข้าเดือนก็ตกเราก็เลยต้องคลาทางลงจากเรือสู่แพด้วยแสงแตะเกียงที่ไม่ค่อยสว่าง มีการระแวดระวังเรื่องการตกน้ำเป็นสำคัญคนบนบกนา น, น, า น, น, านลงน้ำก็เก้กั้งอาการจนในที่สุดพวกเราทุกคนก็ลงสู่แพกันทั้งหมดเรือก็ออกเดินทางต่อไปแสงไฟจากเรือค่อยๆหายไปเหลือแต่ความมืดของลำน้ำความรู้สึกของเราคล้ายกับถูกลอยแพยในมั่นผู้นำทางก็ได้จัดการตกลงกับเรือรับจ้างที่ข้างแพผมรู้สึกชอบน้ำใจคนที่นั่น ถูกปลุกเมื่อยามดึกน่าจะมีกิริยาฮึดฮัดแต่เปล่าเลยกลับตื่นขึ้นแล้วก็พูดกันอย่างดีทั้งกุลีกุจอรีบจัดเรือจ้างกระฉับกระเฉงเราจะไปกันได้แค่ไหนอะนะอ่ในายมั่นถามผู้แจวเรืออ่ะก็โข อ, อยู่ละรวมๆทีเดียวจะไปติดแห้งก็เราๆบ้านกำนันสังน่ะแหละนายอ่ำว่าพอเรือติดแห้งแล้วเราจะไปกันยังไงต่อละ่ะพวกเราก็ เดินลุยน้ำตื้นๆไปบ้างเดินแห้งบ้างในลำน้ำนี่แหละพื้นเป็นทรายแข็งเดินได้สบายอากาศค่อนรุ่งเนี่ยมันเย็นสบายดีนะักจากนั้นราวๆชั่วโมงกว่าก็คงจะถึงวัดผู้นำทางอธิบายคุณนบไม่ออกความเห็นว่าอย่างไรก็รองว่าสนุกดีนานๆมันจะต้องผจญกันซะบา้างโอ้ยหน้านี้แล้วก็คนบ้านนี้ก็เดินอย่างทางเรานี่ทั้งนั้นแม่อ่าว่าไปกลางคืนสบายดีลุยน้าบ้างแค่ตาตุม่ม ตรงไหนแห้งก็เดินแห้งแต่แบบกลางวันเนี่ยทำไม่ไหวครับตัวสุกงอมเพราะว่าแดดมันร้อนเมื่อในอ่ําจัดเรือเรียบร้อยก็ลงเรือกันเอาของเดินทางวางไว้เรียบร้อยดีแล้วก็นั่งกันสบายๆคุณนบนั้นมีย่ามใหญ่ใบเดียวส่วนตัวผมนั้นก็ทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์ของคุณนบแจวเรือมากลางน้ําที่เงียบปราศจากเรืออื่นนี่ช่างเงียบดีจริงๆ จ, จะมีเสียงบ้างก็ที่เรือเรานั่นเอง ลมเย็นสบายสาสมกับที่ร้อนอบอ้าวมากในกรุงเทพถ้าหากพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องร้อนกว่ากรุงเทพเป็นแน่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอากาศเดือนเมษายนนีปเป็นอย่างไรกันแถวนี้น้ำลึกไหมครับผมถามขึ้นอ๋อลึกสิคุณมันเป็นต้นทางนี่แต่พอไปอีกสักกระเดียวนะก็จะค่อยๆตื้นเข้านอ่าว่าเราต่างคุยกันมาอย่างหัวใจเบิกบานการแปรสภาพ เรียบเสมือนการเปลี่ยนชีวิตของเราเลยทีเดียวประกอบกับการเดินทางอย่างนี้เราไม่คุ้นด้วยยิ่งมีรสชาติดีนักไม่รู้สึกง่วงเลยประกอบกับนอนมาแล้วค่อนข้างพอลุงอ่ำแจวไปอธิบายไปก็เพลิดเพลินดีรู้สึกอากาศมืดจะค่อยๆจางไปเป็นอากาศที่สว่างขึ้นเล็กน้อยแสดงว่าจวนจะสางอยู่แล้วเห็นพื้นน้าสีขาวแล้วก็เห็นบางแห่งเป็นโขดเป็นเขินแห้งขึ้น นี่เริ่มเข้าน้ำตื้นแล้วลุงอ่าบอกเราผมสบุรีอย่างสบายใจมองไปที่พื้นโขดทรายเห็นอะไรอะไรผิดตาอยู่มีภาพอะไรดำๆเคลื่อนตัวไปมาอยู่หลายภาพแล้วต่างวิ่งลงน้ําภาพนั้นมีลักษณะเป็นจระเข้เล็กๆนั่นตัวสำคัญละในมั่นพูดเมื่อเห็นผมมีท่าทีสงสยัยตัวอะไรนะครับผมถามด้วยความสงสัยจริงๆก็ไอตัวที่เขาว่าไง ถ้าใครเกลียดตัวก็กินไข่ในมั่นพูดแล้วหัวเราะแถวนี้ชุมมากเลยละ่ะอ๋อไอนี่นี่เองผมว่าดูไกลๆก็นึกว่าลูกจระเข้อ่ะก็วุ่นนะสิถ้าเป็นจระเข้ถ้าลูกมันมีแม่มันละ่ะในมั่นว่าวุ่นเลยเพื่อนในมั่นอีกสองคนว่าน้ําตื้นๆอย่างเงี้ยก็สบายมันละ เวลานั้นท้องเรือของเราก็เริ่มจะครูดกับทรายบ้างแล้วเป็นบางแห่งแต่ก็ยังพอถูถ่ายไปได้พอดีกันเลยในอ่ำร้องนั่นไงเห็นบ้านกำนันสั่งแล้วอยู่ซ้ายมืออ๋อถึงแล้วก็ต้องลุยน้ำกันเลอะคุณนบพูดครับผมจะเอาเรือฝากไว้ที่นี่แล้วผมจะไปกับคุณด้วยผมนัดกับพระท่านไว้เดี๋ยวเอาอย่างนี้เถอะ ผมจะเอาพวกคุณขึ้นแห้งขวามือนี่ก่อนแล้วผมจะเอาเรือเข้าบ้านกำนันถ้าคุณไปกันเนี่ยมันจะลำบากน้ำตรงนั้นเนี่ยเห็นว่าจะลึกเลยเข่าตัวผมนี่ไม่เป็นไรนุ่งสรงถกขาได้สูงดีแนอําพูดแล้วก็เหีหัวเรือเข้าเกยแห้งอา้าวม้วนกังเกงพวกเราแนม่มันบงการคุณนบถกสะบงนะครับคุณนบหัวระ แล้วกองเดินทางของเราต่างก็ม้วนขากางเกงกันทุกคนรองเท้าก็เอาเข้าห่อผ้าแล้วก็ผูกที่เอวก้าวลงน้ำรู้สึกเย็นสบายเท้าดีพื้นน้ำเป็นสายแน่นเราทั้งหมดลุยกันแค่ครึ่งเข่าขึ้นแห้งมองไป ร, บรอบๆหน้ารื่นรมแห้งบ้างน้ำบ้างกว้างเวงว้างแม่อ่าจัดการฝากเรือที่โรงเรือบ้านกำ น, นันแล้วก็ลุยน้ากลับมารวมกันกับพวกเราความสว่างชักจะค่อยมากขึ้น กะเวลาว่าพอถึงวัดเราจะแวะบ้านพี่ใหญ่ตรงข้ามกันกับวัดน้ำตาลเมาเนี่ยกำลังได้ที่พอดีเลยนะเล่นซะสักสองหายก็คงจะคล้มไปในมั่นพูดอย่างเคยไปเคยมาแล้วก็คุ้นเคยกับคนในบางนี้อยู่บ้างในมั่นพูดถึงน้ําตาลเมาผมชักกลืนน้ําลายดังเอือ้อยามที่จะรุ่งรางฟ้าสางอากาศเย็นผิวแบบนี้ต่างถิ่นแบบนี้ถ้าได้ดื่มเหล้าแล้วก็จะสดชื่นขึ้นไม่น้อย ว่าแต่ว่าเวลานี้ถ้าได้ดวดกันสักคนละกรวบสองกรวบเนี่ยคงจะดีมากเลยนะครับผมออกความเห็นอ้อมีนะครับในอ่ำร้องผมเนี่ยเอาใส่มาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหล้าดีอย่างในกรุงเทพนะครับมันเป็นชนิดเถื่อนแต่เป็นเถื่อนแบบพิเศษเลยละอ๋อผมก็เอามาครับผมว่าแต่ที่อย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาเหล้าวิสกี้มาหรอกนะมันหาโซดายากผมเอาเหล้าจีนอย่างดีมาพอผมกับในอ่าว่าเท่านั้น ต่างก็ร้องกันว่าเอามาด้วยเอามาด้วยกันทุกคนเพื่อนสองคนของนายมั่นก็เอามาเช่นเดียวกันก็เลยหัวเราะกันครืนใหญ่คุณนพชมว่าต่างคนต่างเตรียมพร้อมกันดีมากแต่ว่าถ้วยที่จะดื่มนะสิครับมันไม่มีผมว่าอะมีสิครับผมเอาติดตัวมาอยู่ในอ่ำรับรองทุกคนก็เลยเฮฮาต่างงัดกันขึ้นมาเล่นคนละกรอบสองกรอบอุ่นท้องให้ร้อนประเดี๋ยวข้างหน้าน น, นี่ค่อยเปลี่ยนเป็นรูปเป็นเล่าสด น้ำตาลเมาตามท้องถิ่นเที่ยวแบบนี้ก็ต้องทำตัวให้เข้ากับท้องที่จะทำกรีดก็ได้คอสูงดื่มเหล้าดีเข้าก็เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เราเดินกันไปก็ดื่มเพิ่มเติมกันไปพอสมควรผมเนี่ยสงสารคุณ น, นบที่พลอยสนุกอย่างดิบๆไปด้วยเพราะว่าห่มผ้าเหลืองซะแล้วเมื่อครั้งกระโ น, น้นเคยดื่มด้วยกันกับท่านผมแงนดูแสงทองที่ขึ้นจับยอดไม้ที่ถูกลมพัดอยู่เอนลู่ ดูว่าวกู่กล้องไปทั้งฟากฝั่งจับใจเลือกเกินบรรดานกต่างๆร้องกันระงมตามหมู่ไม้ชื่นใจอะไรอย่างนั้นนึกถึงเสียงดูเหว่าวเราก็ฟังดูรู้สึกชื่นบานว่ากําลังจะเช้าพระอาทิตย์กําลังจะมาส่องโลกแต่เมื่อนึกไปถึงหนุ่มสาวในวรรณคดีเสียงดูเหว่าวทำให้เกิดเร่าร้อนและเกิดเศร้าใจในเวลาที่จะต้องจากกันเสียงดูว่าวเร่าร้องเมื่อจนสาง จะรุ่งสางแล้วสิหนอะใจคอหายนี่เป็นคำที่หนุ่มสาวจะรำพันกันเมื่อจะจากการมาสิงสู่ร่วมกันชนิดแอบแฝงฟ้าสางก็จะต้องรีบจากไปก็ย่อมกำหนดเอาเสียงดูว่าแล้วก็เสียงไก่ขันเช้ามืดเป็นเวลาผมนึกไปแล้วใจก็วังเวงมองขึ้นไปบนฝั่งตามดงไม้ที่เห็นหลังคาโผล่บ้านไหนบ้างหนอจะเป็นอย่างที่ผมคิด ในท้องน้ำที่แห้งจนเป็นลานทรายนี้ใช่ว่าจะแห้งแผ่นดินสะทีเดียวก็หาไม่มีทางน้ำไหลมาจากเบื้องหน้านอนแต่ตื้นแค่ตาตุ่มบ้างแค่ครึ่งน่องบ้างจึงมองเห็นสายน้ำนั้นเป็นทางคดเคี้ยวอย่างเลื้อยน้ำนั้นไหลเอื่อยแล้วก็ใสสะอาดผมก้มลงวักน้ำขึ้นรูปหน้าเอาผ้าชเช็ดรู้สึกชื่นบานใจคนอื่นก็ทาตามบ้างยามนี้เราต่างชื่นบาน แต่ใครๆบนตะลิ่งบางคนกำลัง อ, อกระทมขื่นขมบ้างก็ขออภัยด้วยและก็เห็นใจด้วยกับเขานึกไปแล้วใจก็สะท้อนไปเองเลยดื่มเหล้าดับอารมณ์สถทีอีกกรวบหนึ่งไม่กล้าจะดื่มมากนะักเกรงจะไปพบกับของพื้นเมืองไม่ไหวจะพากันคว่ำหัวขมาไปโน่นโน่นในมั่นชี้มือเราทุกคนก็มองตามนั่นแหละวัดที่เราจะมาพวกเราตะแบงเดินเข้าแนวขวากันเถอะ พอตรงวัดก็จะได้ขึ้นบ้านพี่ใหญ่กันในมั่นบงการเราทั้งหมดจึงตะแบงขวาเดินแห้งบ้างน้ำบ้างตอนลงน้ำแค่ตาตุ่มมันก็เย็นชื่นใจชักจะอยากลงนอนแผ่ลงตามสายน้ำให้น้ำมันไหลผ่านจะเย็นใจพิลึกพอเราทั้งหมดตรงกับวัดในมั่นก็พาขึ้นตะลิ่งตามทางควายลงอาบน้ำมาหยุดยืนกันที่รัว้วหนามไผ่สะไว้ มองขึ้นไปบนบ้านมีแสงตะเกียงอยู่ในครัวและเสียงครกทำอะไรอยู่ลั่นครัวพวกสุนัขในบ้านต่างแหกันมาเห่าข่มอยู่ในรั้วเสียงครกที่ต่ำก็เงียบลงแต่ไม่มีใครโผล่หน้ามาเลยบนเรือนนั้นเห็นจะเป็นธรรมเนียมบ้านบางนี้เขาว่าจะไม่ยอมโผล่ตัวให้คนแปลกถิ่นเห็นตัวก่อนแต่เขาบนเรือนคงแอบโผล่ดูเราตามช่องลมที่บนบ้านพี่ใหญ่พี่ใหญ่ ในมั่นร้องเรียกฝาเสียงสุนัขขึ้นไปฉันมาแล้วพี่ใหญ่นี่ในมั่นมาแล้วนะอ้าวมั่นเหรอเสียงย้อนถามลงมาอ้าวมั่นเหรอบ้ารออยู่เชียวเสียงข้างบนร้องอย่างดีใจแล้วก็ร้องตะหวาดสุนักเหมือนกับรู้ภาษาคนสุนักเหล่านั้นหยุดเห่าทันทีหันมองดูเราอย่างเสียดายที่เห่าน้อยไปแล้วก็พากันวิ่งเข้าใต้ถุนหมดทันใดนั้นเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมาจากครัว พอถึงนอกชานก็รีบสายบันไดที่ชักขึ้นไว้บนบ้านเพื่อให้บันไดนั้นลงดินจะได้ขึ้นลงกันอย่างสะดวกสบายการป้องกันแบบนี้เป็นการกระทําทางประเพณีบ้านนอกเก่าๆเขาจะไม่เอาบันไดค า, านอกชานไว้เป็นอันขาดป้องกันการโจมตีของหมู่โจรที่จะกรูกันขึ้นสู่ตัวบ้านได้อย่างรวดเร็วถ้าบันไดชักไว้โจนจะขึ้นเร็วก็ต้องปีนเสาเรือนขึ้น ผมรู้สึกว่าระเบียบของเขาดีมากสำหรับชนบทจะทำเอ้อเหรอเหรออย่างกรุงเทพนี่ก็หมดตัวเพราะว่าพวกโจรบุรุษที่ถูกเรียกว่าพี่ใหญ่นั้นเป็นชายอายุกลางคนแล้วถ้าเทียบอายุก็คราวลุงในมั่นกระซิบบอกผมว่าแกชอบให้เรียกแกว่าพี่นะทั้งบางนี้ใครๆก็เรียกแกว่าพี่ทั้งนั้นเด็กเท่าไหร่ก็เรียกอย่างนั้นเมื่อรู้เคล็ดซะแล้วพวกเราก็เดาะพี่ให้ทุกคนพี่ใหญ่ของเราหัวเราะครื้นเครง โอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วสิอ้าวมีพระด้วยเหรอโอ้โอเชิญเลยครับเชิญเชิญขึ้นบ้านพี่ใหญ่กุลีกุจอปูเสือให้พระแล้วก็หันหน้าเข้าไปทางครัวตะโกนเสียงลั่นเฮ้ยอีหนูอีหนูเว้ยมีพระท่านมาด้วยรีบหาอาหารมาถวายเว้ยแกสั่งแล้วก็หันมาทางราวอีกข้าวของเนี่ยเอาเข้าข้างในเลยนะแหมมันวุย้ยนึกว่าแกจะเหลวซะแล้วไอ้นั่นเนี่ยกําลังได้ที่เชียว ข้าถ่วงน้ำตาลไว้สองครั้งแหนได้ที่และเจ้ายังไม่มาถ่วงเข้าสองถ่วงแล้วสิโอ้ยอย่างนี้ก็พับกันไปข้างละแกเอ้ยพราวทั้งตัวเลยพับผ่าสิวะพี่ใหญ่พูดถึงเรื่องน้ำตาลเมาเป็นคุ้งเป็นแควพวกเราก็หัวเราะกันคลื่นเคลงอีหนูเว้ยใครว่างก็จัดข้าวพระด้วยนะเว้ยที่เหลืออยู่เนี่ยรีบทํายําปลาสลิดแห้งเป็นกับแกล้มเหล้าด้วย พี่ใหญ่ผู้มีสีสะขาวโพลนห่วงเรื่องเล่าเรื่องแกล้มกับอาหารของคุณนบไปพร้อมๆกันพอหยุดพูดก็แอบลงบันไดาหายแผลปไปหลังเรือนครู่เดียวหิ้วหายสองหายกลับขึ้นบันไดามาแล้วพอวางหายก็เดินไปหยิบกระลาขัดมันที่ทำไว้เฉพาะดื่มน้ําตาลเมาซึ่งมันเป็นวาสนาของเหล้าชนิดนี้ถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยหรือไม่ปรุงรสจะไม่แรงอะไรทานองนั้นแหละ พี่ใหญ่ของเราก็จัดการรินน้ําตาลจากไหายลงกะลาแล้วก็สดเข้าไปก่อนทำหน้าพยักเพย์ดว่ารสดีเด็ดขาดแล้วก็ดรินใส่กะลาส่งให้พวกเราวิธีนี้ถ้าเป็นทางกรุงเทพของเราของที่จะเลี้ยงแขกก็จำเป็นจะต้องส่งให้แขกก่อนแต่ว่าบรร น, นอกถือว่าวิธีนี้ไม่ขาวสะอาดเขาจะต้องดื่มก่อนถ้ามียาพิษอยู่ในนั้นเขาจะได้ตายก่อน เราก็เลยต้องอาภัยในมารยาทอันนี้แก่เขาที่เขาจะต้องทำตามระเบียบของเขาอีกระเบียบหนึ่งของการดื่มเหล้าสดคือใช้กลาขัดมันใบเดียวในจานวนคนที่ดื่มจะไม่กี่คนก็ตามเมื่อเขาดินให้เราเราจะต้องรีบดื่มให้หมดเดี๋ยนั้นแล้วเขาจะเอากลาใบนั้นเนี่ยรินให้คนอื่นต่อไปแล้วก็ถูกเร่งเช่นเดียวกันเวียนไปเวียนมาจนครบคนแล้วก็ถึงเวรคนรินจะกินอีกแล้วก็ตั้งต้นอีกครั้งหนึ่ง น้ำตาลเมามีดีกรีไม่แรงเท่าเหล้าแต่ก็แรงกว่าเบียร์มีรสขมๆขมแล้วก็ขื่นๆ น, น้อยๆมีรสหวานที่ปลายลิ้นน่อยๆแต่ถ้าถูกเร่งอย่างนี้ตามแบบบ น, นนอกก็เมาเร็วทั้งยิ่งเป็นคนที่มีสติน้อยๆคิดอะไรผิดๆก็เกิดเรื่องขึ้นง่ายๆในวงสุราของตัวเองนั่นเองในครู่นั้นแม่ลูกสาวของพี่ใหญ่เราก็นาปลาสลิดแห้งคล้ามาให้เราพร้อมกับเนื้อเข็มปิง้งหอมกรุน ผมลองตักปลาสลิดแห้งพลาใส่ปากกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบสะระแหน่นี่หอมซึมแซกดีนะักพร้อมทั้งรสเปรี้ยวของมะม่วงซอยที่คลุกมาประดับความเค็มของปลาสลิดแห้งทําให้รสกลมกลืนกันเป็นที่สุดอีกทั้งเนื้อเค็มปิ้งนั่ น, นก็เป็นกับแกล้มที่ถูกคอกันอร่อยพิลึกอ๋อเป็นไงวะไอ้น้องชายปลาสลิดพลาพี่ใหญ่ของเราว่าเขานั่นแกสมัครเรียกผมซึ่งเป็นคราวลูกว่าอย่างนั้นเอา้าเอาก็เอา เด็ดเลยพี่ผมว่าเขาให้นี่พวกเราพี่ใหญ่พูดวันนี้เราพักกันอยู่ที่นี่แหละดีแล้วเย่ายพึ่งไปวัดเลยเราก็สบายไอ้น้ำพันนี้กันไปแล้วไปหาพระหาเจ้าเกรงจะไม่เหมาะกันพรุ่งนี้ค่อยไปละกันมันวันสงกรานต์ท่านเคยแจกของดีทุกปีเลยนะพระของเราเนี่ยก็ควรพักที่นี่แหละเหมาะกว่าจะไปวัดให้ลำบากแกทางโน้นเป ล, ปลานอ น, นอนนั่งๆ่งไม่มีใครพลุกพลานกลางวันร้อนก็ลงโคนไม้ เรามาช่วยกันทําอาหารถวายพระเช้าที่วัดกันดีกว่าพรุ่งนี้เช้าก็หอบกันไปตักบาตรสนุกสนานกันจะตายก็ตามใจพี่ใหญ่เถอะนะในมั่นว่าคุณนบไม่คัดค้านอะไรและทั้งเพื่อนในมั่นอีกสองคนทั้งนายอ่าคนเรือก็เห็นดีเห็นงามด้วยเมาแล้วจะไปหาพระพระท่านจะรำคาญเอานายอ่าพูดอีหนูเว้ยออกมารู้จักพวกเราสิออกมาทุกคนแหละมามาออกมาออกมาพี่ใหญ่ร้องบอกลูกสาวที่ขลุกกันอยู่ในครัว ท่านใดนั่นเองหญิงรุ่นรุ่นสามคนก็ออกมาไหว้พวกเราทุกคนล้วนแต่หน้าตาดีตั้งแต่ผมมาเนี่ยยังไม่เห็นผู้หญิงเลยนะผมพูดอย่างสนิทโอ้ยตายมานานแล้วพี่อยู่กันแค่นี้แหละแกว่าอาหารของพระก็คือคุณนพได้ประเคียนกันเรียบร้อยแล้วท่านก็ฉันไปองค์เดียวเราก็ฟาดน้ำตาลเมากันเข้าไปยิ่งสายเข้าดีกรีก็ยิ่งเพิ่มเพราะเมื่อยขามาแล้ว เราก็เล่นเหล้าจีนเข้าไปหลายครั้บพอมาผสมกันเข้าสตรีมก็ขึ้นไวพอคุณนบฉันอาหารเสร็จแล้วอาหารของเราก็ยกมาอาหารฤดูนี้ก็ขออภัยแก่ชาวบ้านนี้บ้างนะน้ำมันแห้งปลาสลิดไม่มีพี่ใหญ่ขออภายัยผมดูอาหารแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยดีไม่มีอะไรเดือดร้อนเลยต้มยำปลากรอบปลาสลิดปิ้งเนื้อเค็มปิ้งน้าพริกส้มมะขามโอ้โหเท่านี้โลกก็เป็นของเราแล้ว น้ำพริกคลุกข้าวเนื้อเค็มแกล้มแล้วก็ซดต้ยมยำปลากรอบที่ใส่ส้มมะขามแล้วก็มะม่วงซอยพริกแห้งเผาไฟแล้วก็เด็ดโรยมันทั้งโปร่งทั้งอร่อยถึงใจนักสุดาก็อย่างเป็นเอกนานๆจะได้พบแบบนี้สักทีตอนบ่ายทางบ้านพี่ใหญ่ก็ได้ไปซื้อเครื่องทำอาหารเลี้ยงพระเช้าที่วัดพวกเราทุกคนก็ช่วยกันจ่ายเงินเพราะว่าจะได้ช่วยกันทาบุญแล้วก็เล่นสงกรานด้วยสามสาวแม่ครัว ว่าเขาขาดปลาสดจะทำน้ำยาแล้วก็ขนมจีนย่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นทำขนมจีนน้ำพริกกุ้งสดไม่มีใช้กุ้งแห้งที่ตากไว้เยอะๆพอทำน้ำพริกได้อาศัยถั่วเขียวเป็นพื้นตอนกลางคืนเราก็ช่วยกันโคลกขนมจีนแป้งที่หมักไว้สนุกได้การแต่ตอนโรยเส้นนั้นพี่ใหญ่เป็นคนโรยพวกผู้หญิงก็ช่วยกันโคลกแป้งบ้างทาเครื่องน้าพริกบ้าง ก็มีการเฮฮากันพอดูแม้แต่คุณนบเองเป็นพระก็อดจะช่วยจับโน่นหยิบนี่ไม่ได้เช้าขึ้นมาเราก็ไปตักบาตรกันที่วัดอย่างปลื้มปิติใจพี่ใหญ่ของเราได้เข้ามาหา ห, าหลวงพ่อแล้วก็นำคุณนบเข้าหาหลวงพ่อรู้ว่ามีพระไปด้วยก็เชิญให้ฉันเช้าด้วยกันที่ศาลาคุณนบเฉลียวฉลาดพูดเก่งหลวงพ่อก็เลยชวนให้ช่วยรับแขกอยู่ที่วัดนั่นเองคุณนบได้กราบขอเป็นสิทธิทางศยศาสตร์ที่ควรจะกระทาตัว ดังนั้นพวกเราก็เลยเฮกันกลับบ้านเล่นน้ำตาลเมาแล้วก็อาหารเช้ากันอย่างขลุกขลักในการหุงต้มทำกับข้าวเล่นน้ำพริกเล่นขนมจีนแต่ว่ามีหัวปลาช่อนใส่เกลือตากแห้งต้มโคลงเอาใบมะขามอ่อนใส่วิเศษแท้มีเปรี้ยวมีเคม็มมีเผ็ดพริกแห้งเผาไฟทิ้งไม่ได้เลยตอนบ่ายเราเข้าไปในพิธีส่งน้าพระที่วัด แม้น้ำจะหายากแต่ว่าประชาชนก็ช่วยกันลงมาตักจากสายน้ำตื้นๆขึ้นไปใส่ตุ่มทิ้งไว้จนเย็นตักใหม่ๆมันก็อุ่นเพราะถูกแดดเผาพอสงน้ำพระเสร็จก็เล่นสาดน้ำกันเป็นการใหญ่หญิงชายบ่ายหน้าลงท้องน้ำที่แห้งเขินใครยึดสายร่องน้ำได้ก็ตักสาดสบายที่ห่างร่องน้ำก็วิ่งหนีกันวุ่นวายวนไปวนมาจนกว่าจะถึงร่องน้ำก็ได้ตักสาดแก้ตัวกันไป การเล่นได้เป็นไปอย่างสุภาพน่าชมเชยเขาเป็นชาวชนบทก็จริงแต่ว่ามีมารยาทในการเล่นการสาดน้ำเป็นอย่างสูงด้วยหัวใจที่ไม่เกเรไม่พานไม่นิสัยไพร่ก่อนจะสาดเราก็ยกมือไหว้เขาเขาก็ยกมือไหว้เราแล้วก็สาดน้ำกันเสียงเกลียวกราวหัวร้อกันลั่นก้องท้องน้ำที่แห้งขอด ตกเย็นก็ลากันเลิกกันแล้วก็ร้องนัดกันว่าจะไปเล่นเพลงพวงมาลายัยเพลงชาวไร่เพลงมอนซอนผ้าเล่นเข้าแม่สีตามแต่ใครถนัดจะเล่นอะไรแล้วก็นัดกันไป แต่พวกเราห้าคนมีในอ่ำในมัน่นในน้อยในกลิ่นรวมทั้งผมก็ไม่รู้จะนัดใครเพราะเราไม่คุ้นเคยกับเขาจึงขอสมัครดูเขาเล่นส่วนพี่ใหญ่นั้นแกเบื่อแล้วเพราะแกอยู่มาจนแก่แล้วแกเบื่อนายก็เลยมอบให้ลูกสาวพวกเราเนี่ยพาไปเล่นตามหาดทรายตัวแกเฝ้าบ้านในค่ำนั้นเราห้าคนได้ตามหลังแม่สาวสามคนไปดูเขาเล่นเพลงพวงมาลัยกัน แม่สาวสามคนที่เป็นลูกของพี่ใหญ่นั้นแกก็เป็นชาวบ้านที่นั่นก็พอเล่นกับเขาได้นายอ่ำเป็นคนอยุธยาก็จริงแต่ไม่ถนัดจึงสมัครดูอย่างพวกเราเราเล่นกลางหาดทรายไม่ดึกนักเพราะห่วงแม่สาวสามคนนั้นจะต้องกลับบ้านเตรียมอาหารทําอาหารเช้าเลี้ยงพระอีกที่บางนั้นเขาเลี้ยงพระกันสามวันแล้วก็เล่นเพลงกันหลายวันนักกว่าจะจืดจางพวกเราฝ่ายชายจึงชวนกันไปดูเค้าในคืนรุ่งขึ้น เขาเล่นมอนซ่อนผ้ากันจนดึกจนดื่นเขาก็ชวนกันเลิกพวกเรายังเห็นวงที่ไกลเราไปทางท้ายวัดโน้นยังสมไฟสว่างอยู่เราก็เลยพากันเกรดไปดูวงนี้เป็นวงเพลงพวงมาลายัยมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายสี่คนแต่รู้สึกว่ากรองแกร่งเพราะรู้สึกว่าฝ่ายชายนั้นจะอ่อนกว่าฝีปากไม่ทันกันแต่ว่าฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่ค่อยจะปล่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ในครู่นั้นเองก็มีชายอีก3าสคนเดินมาจากทางไหนก็ไม่ทันมองเขาทั้งหมดเข้ามานั่งฟังอย่างพวกเราฝ่ายหญิงก็มองชะม้ายดูว่าผู้มาใหม่จะมีทีเด็ดเข้าว่าเพลงหรือไม่แม่ตัวเป็นแม่เพลงหน้าตาผู้ใหญ่กว่าคนอื่นๆก็โปรยยิ้มให้แก่ชายกลุ่มนั้นเป็นเชิงท้าทายว่าถ้าเชื่อว่ามีทีเด็ดก็โดดเข้ามาเถอะอย่ามัวเล่นแง่เล่นมุมอยู่เลยครั้นแล้วก็โปรยร้องเนื้อเพลงท้าทายขึ้นแกราย ตอนนี้พวกผู้ชายที่มาใหม่ชักจะหันหน้าเข้าปรึกษากันผมกับพวกอีกสี่คนก็หันเข้าพูดกันว่าพวกผู้ชายที่มาใหม่นี้น่าจะเป็นนักเพลงที่เจนจัดเหมือนกันเพราะว่าฟังเสียงผู้หญิงเปรยมานั้นก็บอกว่าเคยคุ้นกันมาเก่าพวกเราทุกคนต่างก็เห็นจริงจังกันตามนั้นต่างก็จุปากว่าถ้าฝ่ายชายเขายอมเล่นเราก็ได้ฟังดีหล่ะคราวนี้ ท่านใดนั่นเองชายกลุ่มนั้นก็ลุกขึ้นคาดพุงให้กระชับและยิ้มตอบหญิงพลางยกมือไหว้ชายที่อยู่เก่าและบอกว่าขอเล่นด้วยสักคนจะรังเกียดหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พวกชายรุ่นเก่าก็ร้องตอบว่ายินดีที่สุดขอให้โดดเข้ามาเถิดชายกลุ่มใหม่ก็เลยยกมือไหว้แล้วก็เดินเข้าร่วมวงและร้องเกริ่นขึ้นโดยไมยร่รังรอพอได้ยินชายร้องว่าดังนี้พวกเราคนฟังชักจะมันเขี้ยวเอาละได้ฟังกันมันหูละทีนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างหัวร้ะกันเล็กน้อยแล้วฝ่ายชายก็เกล่นขึ้นทีเดียวยังหนึ่งมันบนของเทว่าร้อยมาเี๋ยวฟังเปลงได้ยินเพลงก็เรงมาวง เ, าเอ้ยมาลาพอเห็นหน้าคุณตาเนื้อเพลงตอนนี้เริ่มฟังดูแปล่่นแต่งหูพวกเราฟังไปทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ความหมายคล้ดๆเขาจะเล่นกรอนให้ตลก ข, ขัน ก็เลยเอาแสงรุ่งอรุณเข้ากรอนลาแต่ความจริงเพลงลาน่าจะให้หยดย้อยกว่านี้กำลังที่ผมนึกตำหนิฝ่ายหญิงก็แซงเกริ่นลาขึ้นมาบ้างและก็ไปในทางเดียวกันนั่นเองน่าแปลกที่คนเล่นกรอนเก่งๆมาลาลงท้ายอย่างไม่เป็นสับประรดหู ไม่ทันลูกคู่จะรับก็ได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นผมถึงกับสะดุ้งผุดลุกขึ้นนั่งยองๆทุกคนมองหน้ากันตาวาวไปตามๆกันทั้งกลุ่มหญิงแม่เพลงและกลุ่มพ่อเพลงได้จางหายไปกับตาผมผุดขึ้นยืนแต่อีกสี่คนยังคงตกตะลึงเจ้าพวกผู้ชายสองสามคนที่ว่าเพลงกับแม่หญิงอยู่เก่าก่อนนั้นก็ได้หยุดร้องลูกคู่ต่างพงะงะแล้วเจ้าคนหนึ่งร้องขึ้นจนเสียงหลงบอก ผีหลอกโว้ยพอคำนี้หลุดออกจากปากเจ้าคนนั้นพวกเราทั้งสี่คนถึงได้สติผุดลุกขึ้นยืนแต่คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดครับไอ้พวกที่ร้องว่าผีหลอกนั้นมันออกวิ่งแต่ร่างกายของมันก็หายไปกับตาเราผมแทบขาดใจตายผมก็คุ้นกับผีมาอย่างดีแต่ผีที่หลอกกันแบบนี้ไม่ใช่ผีที่มีเมตตาอย่างที่ผมเคยกันมา นี่มันจงใจหลอกเราอย่างเกลียดชังในพวกที่มันหายไปกับตายังแหกปากร้องอย่างสนุกคือทำเสียงหมาหอนกระเลออกไปทุกคนก็เลยปอดลอยผงะเซซวนต่างรั้งใจกันไม่อยู่ออกวิ่งกันไป ต, ตามๆกันแต่ใครล่ะครับจะยอมอยู่ก็ออกวิ่งบ้างแต่ไม่มีใครออกหน้าเลยครับมันลำบากจริงๆเราอยู่ที่เวงวางแล้วก็มืดมัวใครจะออกหน้าถ้าพบข้างหน้าล่ะครั้นจะอยู่หลังก็ไม่ได้ แต่มันแย่จริงไม่ว่าจะข้างหน้าหรือว่าจะข้างหลังเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเสียงใครคนหนึ่งในพวกเราร้องครางเหมือนร้องไห้ในอ่าด่าแม่มึงอึงคะนึงคงไม่ใช่ด่าเพราะดุเดือดโกรธเครืองแต่คงด่าให้ใจดุพอต้านทานความกลัวลงท้ายเราวิ่งเกาะกันเป็นกลุ่มอย่างหน้าทุเรศหูตามืดมัวไปหมดผมร้องอยู่ในใจว่าเราเกาะกันไว้ตายก็ตายด้วยกัน เราตกใจกันอีกครั้งผมหัวใจวาบเหมือนมันขาดออกไปแล้วที่ได้ยินว่าอะไรกันกว่าจะรู้ว่านั่นคือเสียงพี่ใหญ่ของเราหัวใจแทบหยุดเต้นพี่ใหญ่ร้องว่าเป็นห่วงเห็นหายกันไปเกือบรุ่งแจ้งก็เลยออกตามพี่ใหญ่เป็นผู้เข้มแข็งคุมพวกเราจนถึงบ้านผมยังตัวสั่นพูดอะไรก็คางกระทบกันพี่ใหญ่ไว้ดีนักหยิบเหล้าเถื่อนมาอย่างแรงแล้วก็ดินส่ง เราต่า ง, งางคอดวดกันอย่างเทลงกระทนพอพระอาทิตย์ขึ้นจึงค่อยยางชั่ววาดวันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกผีหลอกหลอนเอาผมเคยผ่านมาแล้วอย่างว่าอยู่ใจกลางดงผีทีเดียวแต่ผีเหล่านั้นสุภาพและมีเมตตาจิตอย่างเป็นเอกกลับมากรุงเทพแล้วผมยังติดตาอยู่ทุกอย่างมองเห็นบ้านที่ใหญ่ชายแก่ผู้ใจดีเห็นลูกสาวที่ใหญ่เห็นหาดทรายบางบานแล้วก็วัดนกกระจาบ และที่ติดตามไม่ลืมคือพ่อเพลงแม่เพลงนั้นนึกเมื่อไหร่อกก็เต้นและหูคล้ายจะได้ยินการเกริ่นเพลงและเสียงลูกคู่ที่กาปนาดวงเพลงนั้นที่เป็นมนุษย์ก็คือพวกเราที่ไปนั่งฟังเขาเท่านั้นนอกนั้นเป็นปีศาจทั้งหมดผมไม่ลืมบางบานเลยจนปัจจุบันนี้